สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษย์เสบีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปเยซูตอนที่สามร้อยสามสิบสามเรื่องความถ่อมใจข้อชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบแปดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกและมาระโกบทที่เก้าข้อสาสิบสามถึงสามสิบเจดลูกาบทที่เก้าข้อสี่สิบหกถึงสี่สิบแปดเป็นเรื่องเดียวกันนะครับโปรดฟังข้อชนะของพระเจ้ามัทธิวบทที่สิบปดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หก ในเวลานั้นเหล่าสาวกมาเฝ้าพระเยซูถูนว่าใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ระเยซูจึงทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาให้ยืนท่ามกลางเขาแล้วตรัสว่าเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กเช่นนี้คนหนึ่งในนามของเราผู้นั้นก็รับเราด้วยแต่ผู้ใดจะทำผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่วางใจในเราให้หลงผิดเท้าหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นทวงเสียที่เทะเลลึกก็ดีกว่าพี่น้องครับในระหว่างทางสาวกของพระเยซูโต้เถียงกันนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากการที่พวกเขาเดินทางจากซีซาริยาฟลิปปีมายัางกาลิลี เราไม่อาจจะทราบแน่นอนครับว่าอะไรเป็นสาเหตุของการโต้เถียงเปโตรยากบยอนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองสําคัญมากกว่าคนอื่นเพราะว่าพระเยซูเลือกให้ติดตามพระองค์ไปถึงเป็นส่วนพระองค์ส่วนตัวถึงสองครั้งด้วยกันในขณะที่สาวกคนอื่นนั้นไม่ได้ไปหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขากําลังคิดถึงเรื่องที่ว่าตัวเองนั้นไม่สามารถรักษาเด็กชาย คนนั้นที่ซีซีเริยฟริปปีหรือเขาอาจจะคิดถึงการที่พระเยซูจะครองโลกก็คิดกันว่าตัวเองนั้นจะมีตำแหน่งอะไรบ้างในรัฐบาลโลกของพระเยซูการโตเถียงเช่นนี้ก็คือพวกเขายังไม่เข้าใจอย่างท่องแท่ว่าการเป็นสาวกที่แท้จริงนั้นหมายความว่าอะไรพี่น้องครับการเป็นสาวกที่แท้จริงหมายความว่าอย่างไรพี่น้องคงจะตอบได้นะครับประการแรกก็คือ ให้เราปฏิเสธตนเองสองให้เราแบกกังเข้นของตัวเองสามให้เราติดตามพระเยซูไปพระเยซูจัดถามสาวกว่าพวกเขาเถียงกันเรื่องอะไรพวกเขาไม่ตอบนะครับจริงๆแล้วพระเยซูทราบครับแต่บางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าพระเยซูต้องการให้พวกเขาเล่าให้ฟังแต่มาระโกเล่าครับว่าพวกเขานิ่งอยู่ไม่ยอมตอบมัทธิวกล่าวว่า เขาทูลถามพระเยซูว่าใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับพระกิตติคุณทั้งสามเล่มนี้เล่าเหมือนกันหมดนะครับก็คือพระเยซูนั้นได้ทรงใช้เดกเ็กเล็กคนหนึ่งเป็นภาพพจน์เปรียบเทียบในการสอนครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับมาระโกนั้นบันทึกข้อความที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดครับก็คือมาระโกบันทึกว่าในมาระโกบทที่เก้าข้อสามสิบห้านะครับถ้าผู้ใดใครจะเป็นคนต้น ก็ให้ผู้นั้นเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของคนทั้งปวงพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นคนต้นก็ให้ผู้นั้นเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของคนทั้งปวงนี่เป็นคำสอนที่สำคัญมากของพระเยซูนะครับลูกาบันทึกไว้อีกครับว่าเมื่อพวกสาวกโตเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดขณะ น, นั้นพวกเขากำลังนั่งอยู่บนโตอาหารหลังจากรับประทานอาหารมื้อสุดท้าย ร่วมกันกับพระเยซูก่อนพระเยซูสิ้นพระชนม์อยู่ในลูกาบทที่ยี่สิบสองข้อยี่สบสี่พี่น้องครับการที่ว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดเป็นสิ่งที่พวกสาวกสิบสองคนนั้นฝังอยู่ในใจครับว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับมัตทิวบันทึกคําสอนนี้หลังจากที่มารดาของยากรและยอนมาทูลขอพระเยซูให้อนุญาตบุตรทั้งสองของนางนั่งอยู่เบื้องซ้ายเบื้องขวาพี่น้องคงจําได้นะครับบุตรทั้งสองของ นางนั่งอยู่เบื้องซ้ายเบื้องขว า, าพระเยซูในแผ่นดินของโปรงเนี่ยครับคือสิ่งที่เป็นความต้องการของมนุษย์ยังเป็นเนื้อหนังอยู่มากครับพวกเหล่าสาวกของพระเยซูก่อนที่เบียสูจะสิ้นพระชนก่อนที่เบียซูจะเป็นขึ้นไปนความตายพี่น้องครับนี่เป็นครั้งแรกที่พระเยซูทรงสอนบทเพียนี้กับเหล่าสาวกเราจะมาพิจารณานะครับว่าคําสําคัญในคําสอนคํานี้ก็คือว่าผู้รับใช้ของคนทั้งปวงคําว่าผู้รับใช้นั้นในภากรีกนั้นเรียกว่าเดียคอนสนะครับ เนีคนอสซึ่งเป็นความหมายเดียวกันกับคาว่ามัคคณนโยกอะครับหมายความว่าผู้ที่รับใช้คนอื่นมีความหมายเป็นเหมือนกับบอยครับที่คอยคอยดูว่าคนที่กินอาหารซึ่งเป็นลูกค้าสำคัญเขาต้องการอะไรหรือนายของเขาต้องการอะไรนะครับคำคำนี้นะครับเหมือนกับคนรับใช้นะฮะที่สมัครใจด้วยครับไม่ได้คนรับใช้ที่เกิดจากการว่าจ้างนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้เองเป็นจุดที่แตกต่างครับบอยถูกจ้างมามีเงินเดือนครับนะฮะแต่มัคคายนยกไม่ได้มีเงินเดือนผู้รับใช้ไม่ได้มีเงินเดือนพี่น้องครับนี่คือจิตอาสานะครับพี่น้องพระเยซูทรงเป็นครูที่ดีเยซูทรงใช้คําอุมาแสดงภาพพจน์คําสอนของพระองค์อย่างเดี้วกันครับพระองค์ทรงใช้ภาพพจน์ที่มีชีวิตอยู่จริงๆ เปเยซูใช้เด็กก่อนครับอย่าลืมนะครับว่ามัตทิวนั้นบันทึกละเอียดมากเพราะว่ามัตธิวนั้นเป็นคนเก็บภาษีเป็นนักสถิติหรือนักบัญชีเขาอยู่ที่นั่นครับเขาสามารถจดจํารายละเอียดพเปเยซูสอนได้ทั้งหมดในข้อที่สองข้อที่หโปรดสังเกตนะครับว่าเขาเน้นคำว่าความจริงนะครับเราบอกความจริงพี่น้องครับเมื่อเปเยซูพูดถึงความจริงแสดงว่าเป็นความจริงแท้ครับเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและ มัธิกวก็ระบุให้เห็นว่าข้อความต่อมาจะเป็นคําสอนที่สําคัญมากพี่อิสูตัดว่าไงครับถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยนะครับนี่คือประการที่สองสาระสําคัญในวันนี้ก็คือการกลับใจสาระสําคัญแรกนะครับก็คือผู้รับใช้สาระสําคัญแห่งการกลับใจซึ่งเป็นสาระสาคัญที่สองในวันนี้ก็แสดงถึงความจําเป็นความสําคัญนะครับ ความต้องการที่คนคนหนึ่งจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้เขาต้องกลับใจแต่การกลับใจเหมือนเด็กเล็กนั้นคือเป็นความถ่อมใจนั่นเองนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือความถ่อมใจนั่นเองเพราะฉะนั้นครับเด็กนั้นไม่มีสิทธิ์อะไรเลยตามบทบัญญัตินะครับเด็กๆนั้นมีฐานะต่ําต้อยที่สุดในสังคมนะฮะถัดจากคนรับใช้ขึ้นมาเลยทีเดียวเด็กๆมีอิทธิพลน้อยมากต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นต้องอาศัยการเกลื้อกูลเอื้อเฟื้อเลี้ยงดูจึงจะมีชีวิตรอด อันนี้หมายถึงเด็กเล็กๆนะครับเด็กเล็กๆนั้นขนาดที่จะไว้วางใจผู้ที่โตกว่าตนเองหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าตนเองไว้ใจคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองพี่น้องครับนี่คือทัศนะท่าทีของความถ่อมใจครับเราจะต้องมีจึงจะสามารถเข้าสู่สัมพันธภาพกับพระเยซูได้จึงจะสามารถเข้ารับความรอดที่มาจากพระเจ้าได้พี่น้องครับเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ยากใช่ไหมครับที่จะทิ้งสิทธิและความเทวตยานนะครับและ รับทัศนค า, าติอย่างคนรับใช้หรือเด็กซึ่งปฏิบัติรับใช้ด้วยความสมัครใจนะครับและเราต้องสามารถที่จะพึ่งพาพระเจ้าไว้วางใจพระองค์เหมือนเด็กๆเพื่อที่จะมีชีวิตรอดเนี่ยครับจึงเป็นเหตุที่ยากนักที่ผู้ใหญ่จะต้อนรับพระเยซูพี่น้องครับในพฤจกรรของเรามีพนกักจิตเด็กที่ดีไหมครับมีการดูแลเด็กๆที่ดีไหมครับและเราสอนเด็กๆนะครับเราได้เรียนรู้ จากเด็กๆด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพ ร, พ, รพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าวันนี้อย่าลืมนะครับสิ่งที่สําคัญสองประการก็คือในเรื่องของความถ่อมใจก็คือการยอมเป็นผู้รับใช้มีจิตอาสาแห่งการรับใช้พระเจ้านะครับคอยฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าว่ามปรองต้องประสงค์สิ่งใดประการที่สองก็คือเราจะต้องถ่อมใจเหมือนกับเด็กเล็กๆนะครับแล้วต้องทิ้งสิทธิความทะเยทะยานส่วนตัว กลับใช้พระเจ้าเยี่ยงคนรับใช้และกลับใจใหม่ท่าทีางกันกลับใจใหม่สําคัญมากครับและเป็นนิสัยที่สําคัญที่สุดของคริสเตียนอย่างหนึ่งเลยทีเดียวขาพระเจ้าอวยพรนะครับให้เรามีท่าทีแห่งความถ่อมใจให้เรากลับใจใหม่ให้เรายอมเป็นผู้รับใช้คนอื่นอาเมน